ต่อจากนี้ 5 ด, รร ณ, 10 มีนาคม 2545 อธิษฐานแปลว่าการตั้งจิตหรือการตั้งใจ ศาสนาพุทธพึ่งกรรมไม่ได้พึ่งสิ่งที่บำรดๆการขอจึงเป็นการผิดจาก การตั้งจิตเสมอทรงไว้ซึ่งความ พวกเราที่ได้มาเอ่อร่วมกันท่วมรู้ร่วมฟังร่วมเห็นร่วม จะพาอบรมฝึกปลปฏิบัติธรรมะของพระ อ่าแต่เกิดขึ้นมาเป็นชุมชนที่ทั้งโรงโรงพยาบาลยังไม่มีในนี้อะไรก็แล้ว น้องนั้นก็ โลกทุกวันนี้ถูกมอมเมาถูกๆ <ๆ S 1> ฉลาดมากและเพราะฉลาดด้วยเองจึงแสดง แล้วก็ศึกษาออกมาก็นั้น เสพโลกิยสุขให้แก่ๆก็ สังคมอย่างนี้ไม่ใช่สังคมเจริญกรรม กายกรรมวจีกรรมมโนกรรมนี่คือการกระทํา ดังที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสมี <c oughs> 6 ข้อสารานิยธรรม 6 อภิหารนิยะแปลว่าไม่เสื่อมเป็น 6 6 อย่าง 7, 7รร6 นี้ ข้อ 1 2 3 ก็คือข้อเม 1 เมตตาวจีกรรม 2 เมรร3 4 อ, ญญ5 ข้อ 6, 6 ข้อ ที่ขยายว่า 7 ปิยกรณะ มีความเกื้อกูลกันมีสังคหะอ่าแล้วก็ไม่วิวาทกันนี่อปวิวาธะ อาตมาได้นำพาคน สาธารณะน่ะสาธารณะ ข้าวกิน ดูทุกคนก็ทํางานเหมือนกับครอบครัวใหญ่ทํา ฟรีทํางานเข้าส่วนกลางหมดไม่เบิกออกเป็น หลายผู้หลายคนก็คงได้แนะนําตัว เพิ่งเกิดเพิ่งแก่เพิ่งเจ็บเพิ่งตายอะไร คนที่มีรายได้เอารายได้มาส่วนตัวนี่ให้มาก คนที่ทํางานแล้วก็ให้เค้าไปหมดเราไม่เอาไว้ของเราเพราะ เอาเอาคืนมาเกินมาเพราะเขาตั้งกันเองเอาคืนมาเกินยิ่งมันเงินสูงก็ก็เลยตั้งราคาให้เงินเดือนตัวเองเกิน ก็เงินเดือนก็สูงๆทุนนิยมมากๆทำงานมากๆยึดเอามากๆมากๆ เพราะตนเองไม่เหลือ เพราะทั้งโลกเนี่ยคนที่ปฏิบัติในแนวนี้นี่ นี่คือลักษณะจริงของสังคมโลก ต่างประเทศทุกวันนี้ถ้าใครดูข่าวคราวต่างประเทศจะ เอ่อทั้งๆที่เค้าออกมา เอามาเปิดเผยได้บ้างทั้งรักรอบต้องแฝงตัวเข้าไปเอา เป็นไปของโลกของมนุษย์นี่แย่เต็มแจ้ง แต่ทํางานศาสนาของอาตมาก็ไปขัดแย้งกับคน อะไรกันอยู่จนกระทั่งวิวัฒนรราชเป็นกันทําไม ทำให้คนมามีมามีความเมตตาเกื้อกูลอย่างแท้จริงเป็น ถือปืนอยู่ทั้งๆที่บอกว่าเป็นพรรคเดียวกัน อาตมาก็พิสูจน์เห็นแล้วว่าธรรมะๆที่เศรษฐกิจอย่างนี้ถ้าครอบครัว หาหนร้อยหนมาแยกกันแน่นอนเลยเพราะที่นี่ ขายสดกดเชื่อมีเป็นๆถูกจนต่ํากว่าราคาทุนที่นี่แย้งกันกับทุนนิยมเลยเรายิ่งขายถูกได้เท่าไหร่ ถ้านั่งปลํําปะเลืองลํําปรต้นตื่นไปฟังไม่รู้ๆเพราะมันทวนกระแสปฏิโซด คนรวยคือคนโลภคนรวยคือคนกอบโกยสะสมเอาแก่ตัวๆมากๆมันก็กัด คนก็ไม่มีใช้ๆคนอื่นก็ขาดแคลนวิธีนี้มันไม่ถูกต้องต้อง มีก็น้อยๆไม่ต้องไปสะสม อาตมาก็ไม่แจ้งไม่เถียงอะไรเค้ามีอำนาจเค้าก็ มีสิเพราะว่าเราคนๆ สุณรานั้นบนก้อนหินไม่มีสมบัติอะไรท่านพาพระสารีบุตร ท่านพามาจนแต่เป็นคนจนอย่างประเสริฐ มีกินมีอยู่อย่างพออ่ามันจะอ้วนเกินด้วยซ้ําไปอ่า เค้าก็สร้างไว้มีห้องโอ้โหมีหรอกๆๆ <ersch> <ega> มีเรื่องจะเล่าๆโอ้มีเรื่องที่จะ ก็เออทําไมโอ้เกิดมาไม่เคยได้ยินมาจนนี่แหละประเสริฐนี่แหละพิเศษเออคนทั้ง ทำให้ผิดสัจจะของชีวิตทำๆๆ เรเรเราก็ให้เขามากๆก็ต้องให้เค้ามากๆเราก็ไม่มีสิเราให้มากๆมันก็ ตั้งใจฟังดีๆนี่ถ้าอาตมาพูดผิดพ่วงด้วยบอกมัน นะมาทํา payment จากแห่งนึงทาง ศีลเด่นก็คือเป็นผู้ๆนักเรียน 40% 35% 25% พอแกนพวกนี้ไปสอบกับทางกระทรวงกระทรวงก็เอาไป มีเป็นงานนี่มันเด็กๆทําได้อะไรๆก็มีเด็กทํางานอยู่ทั้ง ศีลละธรรมๆ ก็วิชาการก็เท่านั้นแหละวิชาการก็เก่งอย่างนั้นน่ะแล้วก็มา ก็เรียนได้แต่จะใช้หัวศึกษาทําอะไรไม่เป็นแล้ว กปกปมาแล้วก็เป็นอย่างงี้นะเพราะงั้นถ้าไม่ได้ศึกษาธรรมะ ทำร้ายไม่เข้ามาปิดทางกั้นทางติดทางขณะๆน่ะหาว่าเป็น ตอนแรกยังไม่ทันมีอะไรพวกนี้ยังๆก็คงจะรู้ เสร็จแล้วเราก็มาสร้างขึ้นมาเที่ยว แต่ก่อนๆนั้นอาตมาสารพัดก็พยายามสู้พยายามที่จะสร้างสรรค์พยายามที่จะทําอะไรต่ออะไรให้ จนถึงตอน 27 23 23ธธ อะ? 45 ไร่ไร 45 ไร่ แล้วก็ตั้งชุม 20 ปี 27, ง, อะไร, อน, ะ, 27 28 ะ, 28 29 ก็ค่อยมีผู้คนมีคนมา ศีลเป็นหลักเกมอ่ามีวินัยวินัยก็ขยายจากศีลนั่นแหละมาอยู่ ก็มีโทษมีธรรมกันไปตามลําดับนะมีศีลมีความ อัตตาตั้งแต่อัตตามีอัตตาสามพุทธะสอนไว้ ก็มาเรียนรู้กิเลสเราลดลดลดอัตตา อรูปอัตตายึดถือตนเองนึกๆล้างๆก็จึงอยู่กันได้ <c oughs> มันไม่เข้าท่าเอาพระธรรมอุปจารมาสอนก็เห็นจริง แต่เราเอามามากๆนั่นตัณหาเราไม่ได้ๆยิ่งไปกอบโกยยิ่งไปโกงเขาๆ ยิ่งเราได้ให้เค้านั่นน่ะเรายิ่งมีประโยชน์ใช่มั้ยนี่เราเอาของเข้า ที่เป็นบุญเป็นกุศลที่ศาสนาก็สอนบุญสอนกุศลอย่างนี้แต่ อ่าอย่างนี้เบื้องต้นเราก็พยายามเรียนรู้ชาติเดียว พระฤาษีชาติไปโอ้ชาตินั้นชาตินี้ <emergen ft> เคยอ่านชาติดก 500 ชาติพระชาติพระพุทธเจ้าพระโอ้ชีวิตของตนเองเนี่ยลึกไป 100 ชาติ 1,000 ชาติ 10,000 กรรมมัคโกมหิกรรมทายาโทกรรมโยนิกรรมพันธุ์ธุกรรมปฏิสารโนหมายความว่ากรรมเป็นของของ ทำชั่วโดยแม่คนรู้ชั่วโดยไม่ให้คนรู้แล้วนึกว่าเป็นไม่เป็นของนะทํา ไม่เบี้ยวสัจจะไม่มีโกงไม่มีโกหกไม่มีรั่วซึมนอก แบ่งส่วนบุญส่วนบาปอะไรไว้เละเทะหลอกกันแบ่ง นอกรีบนอกศาสนาหลอกกันมานานอย่างนี้เป็นต้นนี่ล่ะคืออาตมา เพราะงั้นแต่บอกว่าใครเข้าใจกรรมแล้วก็ คุณก็ได้เงินฉลาดนะฉลาดโกงใครมีใครจับได้โกงเขาคุณ กินตามแต่มันก็คือเอาเปรียบเอาเปรียบก็คือบาป เศรษฐีกอดอยู่ตายเนี่ยฮะทรอยไม่ไปเออ กอดไว้เนี่ยแสนล้านเงินนั้นไม่ไปๆคุณ ปฏิเสธไม่ได้ได้ไปเต็มๆโกงมาแสนล้านก็ได้ไปทั้งแสน แต่มันเป็นของเราแน่กรรมมัสโกมหิกรรมทายาชาติตก เพราะฉะนั้นถ้าพวกว่าผู้ที่ศึกษาธรรมะของพระ หรือแต่คนพบสัจธรรมคนพบสิ่งที่วิเศษที่สุดคนอย่างพระ จนกระทั่งท่านตรัสรู้ท่านเห็นว่าโอ้โหทางนี้สิ ชาตินี้ไม่ได้มาศึกษาธรรมะจากใครเอามาสอนแล้วก็ของ แต่เค้าไม่รู้ตัวเค้าไม่เชื่อทุกวัน เปิดเผยเอามาบอกกันว่าที่ถูกเป็นอย่างงี้ไม่ใช่อย่างที่ เม็งจริงๆมาเอาให้ไอ้ถีบโอ๊ยถือบกุศลถือว่าเป็นสิริมงคล ไหนถ้าไม่ไปดกไปอ่านอย่างงี้รถน้ํามนต์พ่นน้ํามนต์นี่ นักทําเอกนักทําตรีนักทําโทอะไรก็ไม่ปรีเอ่อไม่ได้เรียนมาแล้ว ท่านบอกว่าเรามาเรียนรู้ธรรมะของพระเจ้าแล้วจะ <c oughs> ได้มีชีวิตที่สุดยอดมีชีวิตที่สุดยอดปรินิพพานไปสุดยอดแล้ว เจ้าตมาผู้ได้ฟังจริง กินมากกินไม่มีมือหัดกินมือ ธรรมมาหากินไม่ใช่ธรรมมาหากินแล้วหาชนิด กินยังถูกหลอกหลอกสนิทเลยนึกว่าเด็กๆๆพวกนี้ก็ไม่ถูกหลอกแล้วๆนานาอู้ยมันหลอกมาเยอะแยะ มีเท่าไหร่ก็ไม่พอเท่าไหร่ก็ไม่พอเพราะฉะนั้นถ้าไม่เรียนทุๆ นะหาร้ายลงเมืองหนังสือเราคิดอะไรจะๆนี้นะเราจะได้ ตัวโรคฆ่ารายของๆสังคม 40 2540 ฟองสบู่แตกเศรษฐกิจบันลัยโลงค่าตัวตายกันกับ แล้วก็อยู่ของเรายังไม่มีไม่มีมันๆนะสบม อยู่สบายไม่เดี๋ยวนี้ตั้งแต่ พ.ศ. 40 มาถึง 45 เนี่ยยิ่งอยู่ในสภาวะของ 40 มา เพื่อคูณกันแบ่งแจกกันกินไปอ่าสะพัด เด็กเล็กก็จะได้รับมากเนี่ยมันคงถึงเป็นพันหรอก <ะ S 1> กินที่นี้ใช้ที่นี้ถึง ม.6 6, 6, 6 ปีๆ มีแต่หาเป็นแต่ใช้ไม่เป็นโอ้สวยคนหาเงินเก่งหาอ่าแล้วเด็ก อ่าไม่แจกไอ้อย่างที่เค้าแจกเราแจกกลดไปนี่มีความหมายลึกกลดๆล่ะ <c oughs> ที่ไหนสบายเราฝึกให้เป็นผู้ๆเล็กๆๆๆเดี๋ยว อุปถัมภ์กันอยู่เรื่อยๆแหละแม้เค้าก็มีเงินกันก็จะสร้างให้ใหญ่เหมือน มายานวนในห้องใหญ่ๆเยอะในเรื่องขายๆเยอะมีอะไรให้พูด <Jackie. S 1> อาตมากุฏนี้สร้างกุฏแรกเลยเนี่ยของที่นี่ที่อยู่นี่เจ้าอาตมาสร้างตั้ง กว้างกำปัดกวาดเมื่อยถูเมื่อยแค่แค่นี้ก็สบายปัดกวาดหน่อยเดี๋ยวก็เสร็จ น่ะท่านศึกษามาไม่รู้กี่ชาติค้นคว้ามาไม่รู้ เท่าที่อาตมาคิดว่าคนจะบอกอะไรอ่า ผู้เหม็นอยู่ๆนี่นะจิตของเค้าครอบๆเรื่องอะไรนี่เค้า มันก็ไม่เอาเลยก็ไม่เอาเลยถึงแม้บางคนใจเอานะมาแล้วก็เอ้ออยากจะ ไอ้ส่วนคนที่มาเจอเนี่ยกูไม่เอาละว่ะนี่แน่นอนมันก็แมมอ๋อมันก็ได้อะไร ใจอ๋ออย่างโอ้โหดีนะนี่นะโอ้โหอ่านี่ก็เป็นจริงนะเป็นเรื่องของสัจจะ อ่ะยกมือแล้วอาตมาก็จะให้ถามแต่อ่าถ้าคุณก็ยัง และภาครัฐบาลยังให้ประชาชนอย่าง ทกส. มาร่วมฝึกอบรมอ๋ออ๋อเดี๋ยวนี้ แต่ตำรวจคนนี้ก็บอกว่าโอ้โหผมเห็นแล้วว่า เอ่อเมื่อวานนี้มาเนี่ยในจังหวัดคนเนี้ยตอนวันนี้ครับผมเองผมโอ้โหผม<ๆ> ถ้าทําดีทําจนคนตาบอดเห็นได้จนคนตาบอดเห็น แต่ถ้านะก็ตอบได้แค่นี้เอ่อไม่อ่าดอกก็ <c oughs> อ่าไปในชุดนี้แหละไปก็ก็ต้อนรับแล้วอย่างนี้นะก็อ่า สร้างกุศลเสสละมาขนาดนี้คงจะมีบุญแล้วนะเอาที่ว่าโยมอยากน่ะหลอก นี่ต่อหน้าเนี่ยอาตมาน่ะแบ่งเลยแบ่งเลยน่ะถ้าจะเอายังไงอ่ะวิธีเอาบุญ กรรมบุญกรรมบาปเป็นของของตนทั้งสิ้นทําแล้วเป็นๆเอ่อแบ่งกันไม่ได้ แบ่งเป็นเงินเป็นทองเป็นทรัพย์บรรทเป็นวัตถุสมบัติอย่างนี้ที่มากๆๆๆมาไว้ ท่านอย่าบอกว่าขี้โกงเข้ามามากๆอ่ะถือหาเงินมามากๆขี้โกงๆก็ได้มากนั่นยิ่ง เออแบ่งให้ใครก็มีตบุนมีตบ่าบอ่ะดิแต่มันแบ่งไม่ได้ อ่าหามาพันนึงมีที่ไหนหาไม่ได้พันนึงทําพัน เอ่อแล้วเราก็ได้ให้เค้าเราก็เป็นคนดีแล้ว เดือนนึง 30,000 เองพวกเงินเดือน 30,000 เยอะไปนะวันนึงสัก เรากิน 200 มันก็เหลือ 800 ใช่มั้ยเราก็เอา 800 นี่แหละไปได้มั้ย แต่มันคิดค่าแรงอ่าอ่ะตกลงเรื่องบุญเรื่องบานี่คงไม่สงสัยแล้วนะว่าทําไมจะแบ่งให้ เอ่อเอาตอบเร็วๆหน่อยนี่เหลืออีก 20 นาที อ่าอ้อนวอนกราบพระพุทธรูปอาสาทุกขอให้บดลบรรดาให้ เอาอันนี้เราเข้าใจผิดกันทุกทุกคนในว่าใน จึงไม่มีพระพุทธรูปแล้วท้าทายว่าเราไม่มีพระพุทธรูป มันรูปถ่ายจะเป็นรูปถ่ายรูปปั้นก็เท่าเท่านั้นเอง โอเวรกรรมนี่คือการประท้วงหรือว่าไม่ทําให้ แล้วทําไมไม่จุดดอกไม้ถูกเทียนประกอบพิธีการใช้ดอกไม้ถูกเทียนๆกุฏิ ทิ้งไปกันเสียเสียเศรษฐกิจกันมากมายดอก หาเอามาเล่นดอกไม้ตกแต่งของหอมของสวย ไม่ใช้กำยานไม่ใช้ห้ามจุดน้ำมันเปลืองน้ำมันเนยจุดเป็นเปลวไฟจุด นอกรีบหมดแล้วเป็นเรือนไฟสมมุติเจ้าห้ามไว้มีเรือนไฟจะ พูดจ๋าตรัสไว้ในสูตรพรหมจรรย์พรหมจรรย์สูตรสูตร 8 ท่านบอกว่าท่านตรัสไว้ตั้งแต่ตอนแรกนี่นะบอกว่าเดี๋ยวนี้ไม่ ต่อไปศึกษากันดูที่นี่มาจุดทุบ <c oughs> คนจนที่ให้เขาได้คนจนที่มีให้เขาที่ให้เค้าได้คนจนที่ๆศึกษาธรรมะพุทธเจ้าจะคน สมมุติอย่างมีคนมารวยด้วยมาจนแต่ก่อนท่านก็ ไม่มีปัญญาแต่คนจนมีปัญญาแต่คนจนมีปัญญาคนจนมีสมรรถนะคนๆคน 2 คนๆ มีนะคนเงินหาเงินได้เดือนเก็บหาเงินได้เก็บกี่เหี้ยนสะสม นายกนี่หาได้แล้วเก็บไม่ค่อยให้คายเท่าไหร่หรอก<ไม> เอกกับตีเหมือนกันกันในนี้คนรวยมั้ยนายขอ รู้นะรู้นะอ่าหรือๆ <c oughs> <c oughs> คนมีจริงคนหลงไปเฝ้ามีจริงอ่าอาตมาพูดเออเหมือนกันเลยกันเลยเออเหมือนกันเอาไปคิดดูอ่า <c oughs> เค้ามีคนไปเฝ้าพระพุทธเจ้าจริงนะแต่การเฝ้าพระพุทธเจ้านั้น ซึ่งอยู่นิรันดร์เหมือนกันน่ะอยู่สวรรค์นิรันดร์ทางด้านที่ท่านปรินิพพานไปแล้ว ของนอกรีบแล้วที่มีพระเจ้ามี เธอวนิยมเค้ามีหมดส่วนศูนย์เป็นอรหันต์ก็ศูนย์นะยิ่งเป็นอรหันต์และเอมันจะ อ่าหนวดเคราที่มันยาวอยู่เรื่อยๆต้องโกนน่ะชื่อมันก็อยู่อย่างนี้น่ะมัน สีครามสีห้ามนะห้ามสีเหลืองสีแสดสีแดงห้ามแล้วเค้าก็ ยังใส่สีเออเหลืองแท้มันเป็นยังไงวะเออเถียงกันเถียงว่าไม่ใช่ ติงๆสัพพะมันแปลห้ามสัพพะนี่แปลว่าทั้งหมดท่านไปแปลว่าล้วนแล้วท่านก็เลี้ยง ก็แล้วไปใครว่าไม่ว่าท่านถูกท่านถูกก็กระทํา อบรมเลยไม่ได้สวดหน้าศพธรรมดาเราสวดส่วนของเราก็คือ เอาญาติโยมอ่าซึ่งไม่ต้องเสียอ่านี่อ่าเผื่องานศพเผื่อพวงญาติโยม ที่ช่วยปีนะเป็นๆก็ทนมาได้ถึง 6 ก็เลยจะมากันได้ไม่ได้มากนักแต่ก็ไม่ ความเป็นเอกภาพเกิดหรือไม่จะทําให้เกิด หมู่ผิดก็ต้องอยู่หมู่ผิดหมู่ถูกก็อยู่หมู่ถูก เพราะฉะนั้นขอปฏิบัติให้ถูกเพราะฉะนั้นความถูกก็จะ เอกภาวะเอกีภาวะก็คือเอกภาพคือเราขอยืนยันว่าเรามีมากนั่นแหละเรามีความรักกันเรามีความเคารพกันคือเอกภาพเราพร้อมเพียงกันเป็นน้ำ และเป็นเอกภาพที่ดีที่ถูกๆนะไม่เนี่ยไม่ไม่ไม่ไม่ ไม่เปลืองไม่พรานแล้วก็ปลูกต้นไม้น่ะมีบ้างมี กรรมเป็นของแท้อย่าไปสร้างกรรมชั่วกรรมเออเนาะน่าคิด คนดีจะมาเกิดทําไมล่ะเค้ามีวิบากดีเค้าก็ไม่เกิด อาตมาก็มาช่วยใช่คนดีไปไหนหมดเขามีดี แล้วก็ได้คนชั่วแล้วมาเด็กๆเราพ่อแม่จะทําตัว <c oughs> ดึงเข้ามาหน่อยเมื่อให้ๆแล้วพ่อแม่จะทําตัวอย่างไร เราจะต้องมาเป็นผู้นําเราจะต้องมา มันมีแต่คนชั่วๆมาเกิดเพราะฉะนั้นการมีลูกทุก จึงจะมาได้ด้วยจํามาได้ด้วยคนๆจริงๆ ไอ้น่าเชื่อคนละเรื่องๆเพราะใครที่ฟังได้ว่าโอ้จริงวะเข้าเนี่ยแต่ก่อนแล้ว ตามอาตมาที่บอกว่าๆจะถามยังไงอาตมาก็ไม่รู้จะตอบ ไอ้ที่ยังไม่มีก็พยายามจะไม่มีไอ้ที่ไม่มียังดิ้นอยากจะไปมีอ่านี่เด็กๆนี่ <c oughs> อยู่ที่นี่อยู่ไม่ง่ายรออยู่ยากแต่อยู่แล้วดีอ่าอยู่ข้างนอกไป ออกไปรู้แล้วหน้ามาทีดีไหนออกไปๆไปๆที่นี่ก็ไม่รับเพราะว่าเกินแก่ บางในใจลึกๆของเด็กนี่เค้าจะเนี่ยเคยทุกคนน่ะเกิดแต่ชาติก่อนๆเนี่ยบาป เออจะแปลจะเปลื้องจนอ่ะมี อ่าเป็นที่ทุรทั้งภิกาลมั่งอะไรมั่งวนเวียนอยู่อย่าง น่ากลัวมั้ยกองกระดูกของแต่ละคนเนี่ย แล้วพวกเราจะโกหกมั้ยพวก 4 เกิดมาแล้วเกิดมาแล้วแล้วก็ไม่เข็ดไม่ลาบถึงนั้นน่ะอยากอยู่นั้นน่ะมันจํา เขาถึงไม่ให้จําได้แต่คืนจําได้ยุ่งแต่มีทาง คนละเวลาได้กําลังเข้าใจแล้วไม่มีคีตู่แล้วอ่าเคยได้เยอะ ชาติราวเจ้าถึงแม้จะเป็นเมียมชาตก่อนชาติ ถ้าจะมาทางอ่าอันนี้บอกว่าท่านบอกว่า จะได้ตัวกรรมกัวกรรมกลัววิบัติผมไม่เคยปล้นอาจจะ อ่ะเป็ดก็อ่าไอ้ที่เกิดเป็นหมามันก็เออแต่ยังไง ก็เป็นหมาเงินเขาเอาเอานําเอา <c oughs> จะเป็ดจะเป็นไงตอบไม่อ่าคนนี้บวกลบอ่าสับส่วน จะรวยเท่านี้จะแล้วอาตมาจะ อ่าถึงแม้โจทย์พูดบอกมาละเอียดอาตมาคนๆ ถ้าเราทำชั่วมากๆคือน้ำเงินใส่ลงไปมากๆๆๆๆๆๆลดชั่วน้ำเงินไม่ต้องทำน้ำแดงๆๆๆๆๆๆๆแล้วจะเห็นสีอะไรไม่รั่วแดงก็ยังอยู่ในนี้น้ำเงินก็ยัง เดี๋ยวเงินก็โพรถ้าหยุดไม่เงินใส่แดงอีกเดี๋ยวแดง อ่าบางก็ตอบไม่ได้ว่าคุณจะไปๆแต่ มีดีฉลาดเท่าฉลาดก็คนละฉลาดชั่วก็คนละชั่วดีก็คนละ เชื่อในคําศรัทธาของพระพุทธเจ้าอันนี้เป็นต้นนะก็พยายามพยายามทําอะไร อาตมาแต่ก่อนเสียใจเหมือนกันนะเหมือนกันโอ้โหอาตมาอยู่ในวงการนะอยู่ในวงการ ถ้าถือเอาไปด้วยเราจมแล้วเราเหลอถ้าเราไปรอ เพื่อนปรุเป็นคู่ๆเยอะแต่ไอ้ 3 คน อาตมาจะมาบวชก็บอกกันขอให้ๆนานาซึ่งมันก็ไม่เลวอ่าเดี๋ยวนี้ก็ พอมาแต่งถ้าแต่งครอบครัวเนี่ยอาตมาไม่ได้มาอย่างนี้แน่ถ้าอาตมาไปแต่งก็ ดูซิเนี่ยลูกเกิดวันแรกเห็นลูกเกิดแท้เนี่ยทิ้งลูกเอาไปบวชนั่นไอ้ห่วง ทรวงมันจะผูกฆ่าแล้วเนี่ยโอ้ที่จริงอ่าอยู่มาวันหนึ่งอมาร์ก็ท่าน ท่านได้พระโอรสแล้วน่ะมาทูลว่าพระนาง แต่รับฟังได้ว่าพระอหาหุรัง จะห่วงแหมตั้งให้เป็นเจ้าฟ้ายอดฟ้าอะไรก็ได้ไม่ตั้งว่าไอ้ มันเป็นเรื่องห่วงมันเป็นเรื่องไปเรื่องห่วงมันเป็นเรื่องไปแล้วอาตมาบารมีพอจึงอ อ่าทนังตาเทศสัปปรัตถาเหมือนกับไอ้คนตายเค้ามัดไอ้ห่วงเค้า คนถามว่าจะไปเกิดเออเค้าหลอกงี้จริงๆเราก็วิ่งลงมา มันไม่ยอมเชื่อเออไม่ยอมเชื่อก็อย่าเชื่อเอาไปเจอ อาตมาไม่มีแรงพอมีเนี่ยบุญแล้วเนี่ยโอ้อ่านี่ก็บุญมั้ย เอาอีก 2 อันอีก 6 นาทีเอง 5 นาทีๆแต่พอถึงจริงๆกลับให้นิดเดียวก็ๆๆกัน <c oughs> การให้มากๆมากๆมากทําอย่างไรดีคะกรุณาชี้แนะว่า ที่ใช้เกลื้อกูลเพื่อแพเกลื้อกูลให้ๆแล้วๆเพราะฉะนั้นจะต้อง จริงแต่ก็ต้องทํามันไม่มีทางเลือกๆนะแล้วคิด ชีวิตเป็นของแต่ละคนเป็นของแต่ละคนแต่ละคนแต่ละคนมี ใจหลงนะและอันนั้นน่ะจะเป็นฤทธิ์ๆยังเหลือเวลาอยู่ ถ้าเพียงปฏิบัติธรรมเถอะสงสัยเรื่องราวอันใดเชิญมาที่ ก็ได้แหละแบ่งได้เท่านี้แบ่งเชิญ ถ้าแล้วเอ 70 เอาไป ชีวิตก็เท่านั้นแหละอยู่ด้วยกันเกื้อกูลๆมีความ ให้ทุกคนประสบแต่ ยอมฉันรอ <tos> วัน